ครับอาวัชรุีบอกว่าดีพันไม่ไปวัดผ้าตุ้ตอนเป่ายังอเพชร่นตดใจมากในดใจนะก็เลยตามอาวัชรุณีไ้อีกแต่ว่าดีพันสงสัยว่าทาไมโลกเหตบภาที่เป็นมาหลายปีเผ่ายังดอกยัไม่หายเลยโอคนเป่ายังเป็นเลยพัยังเป็นเลยพ่อเหรอใช่เ่ายดอกเพชรไม่ใช่เป็นบทใหม่เอะ มาบทพรรษาแรกเป็นเด็กชาก็าเคยวิ่งคืบๆใช่ไหมเป็นครวญวัดไปบท ว, วิ่งไม่ได้ได้ความจริงเรื่องโลกเนี่ยยายกรเพชรไม่ได้รักษานะาววาคนละเรื่องคนละเรื่องเดียวกันแต่คนละตอนอา <c oughs> ยายกรเพชรก็ป้องกันคุณสายคุณผีคุณคนแล้วป้องกันอย่างอื่นถ้ามีความโรคจริงนะอย่างอื่นด้วย นั่นดีฉันก็แนะนำคณะให้จุดธูปนบนบนพุทธธรรมชัยอันนี้นิมนต์่ราง่ายแล่บนมารักษาที่บ้านาหายแล้วให้แก้บนที่วัดท่าสุงแง่อ้าวองค์ อ, อ, อื่นไม่รู้จักก็ท่านฉันใกล้ชิดกันอะของส่งไปง่ายาานนใช่ค่ะ <c oughs> ลูกพ่อจะถามคเข้ารัก เ, เรื่องมาปากลูกเขาบอกว่ารักเรื่องตรงนี้ชอบอยู่ในยาา่ามฝากวิสุผู้เป็นเจ้าอแต่มรณะาพไปแล้วสิห้าปีแล้วลูกอยากจะเรียนถามลูกพ่อว่าพระ อ, อมานี้ไปไปส่งหรือเปลา่าเอาา่อตอนนะี้ในเนียทรัพย์สินของพระถ้าจะให้ใครต้องให้ก่อนตายถ้า ต, ตายแล้วทั้งหมดตกของสงฆ์หมด ตามยินในเนี่ยใช่ตามยนะิใมนใดทเรา แ, แก้ไขไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ในขอเนี้ต้องตกเป็นของสงฆ์งทีไ ม, ไ, ไม่เป็นไรไอจําลาสนิสงว่าถ้าสงูงได้พูดเดียวกัน <c oughs> ไม่เป็นไรวัดเทพได้ครึ่งถ้าถ้าครึ่งเดียวไปวัดเทพท่านแก่มากแล้วยกไม่ขึ้น เอาง่าดิถ้เาเกียรติขพระราคาเท่าไหรชําระนี่สงวัดไหนก็ได้นะบอกกับท่านบางเงินจำนวนนี้ขอชาระนี่สงฆ่าพระองค์เนี้ยพระเราต้องการใช่หมเดี๋ยวดูราคาท้องตลาดเท่าไหร่ถึงราคาของตลาดเนะี้ยเท่าไหร่ก็เงินจำนวนนั้นไปชาระนี่สงฆ์กับพระทั้งหมดเรื่องกันไปเป็นเขาสงบตามในไงนะ ฉันก็ฉันพร้อมให้แล้วคือนี่สินน่ะนันทสบัติใหญ่แล้วโทรไปร้านๆเนี่ยสบททัดที่อ๋ออันนี่ยฉันเป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีนี่อ่ารูกพ่อจะผ่าสามในที่ผ่านมา ูเป็นลูกเศรษฐุพ่อแล้วคนมีความเุาต้องตืองขยานสูงสุดในทางงปีนี้ก็จิตใจของลูกมันชั่วลุวกลงจนหาประมาณไม่ได้อย่างนี้คนอย่างนี้ก็ไม่ไม่ชั่วคนใดที่รู้ตัวว่าเป็นผ่านเราเขากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะผานในชั่วหรืองโง่ใช่ไหม ถ้ารู้ตัวงโง่รู้ตัวชั่วเนี่ยคนนั้นไม่ชั่วไม่โง่เพราะว่าเขาดีแล้วจึงรู้ว่าตัวชั่วถ้า ย, ยังไม่ดีไม่รู้ว่าชั่วเข า, าอ่านต่อไปเขาดีคนนีด้ดีมากเลยไม่มี ม, ม, ม, มีแต่ได้อย่างเดียว <c oughs> คนให้ก็ได้ให้ผู้รับก็ได้รับเจยกก็ได้ขายไพ่ก็ได้ซื้ อ, อ ไปไงเนี่ยคนรักที่เขาไม่รักลูกเลยอารากระทำเทรรมอะไรทีทห้ท้งันในวามกระทำสะสินญาณลกในหลวยานี้แล้วทำ้คนรักถเป็นอย่างนี้เจ้าคะแหมโอ้โหแหม่ก็พูดเรงนี้ฉันจนแ้มเลยไม่มีความรู้เรื่องนี้ต้องถาม้วยขวัญ ยังเลยได้แต่ขโมยเพียงเดียวโอ้โหแหมถามมันยอมจนนะนี่ขออีกนี้เธอะค่ะเจ้าเดียวกันบอกว่าระยะเวี้มันมีความจำเป็นเกี่ยกัรุ่ตายเท่าเปอโยเ็นสนันน์เอลายเดียวมาเช้าเปล่าเลยไม่ผ่านมาได้ห ตอนกลางวันก็บอกเอาตังค์พ่อในบาทใช้เรื่อยแต่ไม่เป็นไรเขาใช้แล้วขาก็ใส่ใหม่ก็ไม่เป็นไรีท่แล้วออกมาใส่ก็ช่างมีแบงค์ห้าร้อยก็ใส่ลงไปกันไม่กั้นเผลอแต่ห้ามใช้แบงค์กงเทพกนี่ไอ้นี่ใส่ใส่เงินบาทเท่านั้นว่าเามาเงินบาทเท่านนะใทีบ แค่ม่วงนะแค่ม่วงนะเอ้ก็กินเงินจํานวนนั้นนะยังไม่เป็นของสงโดยตรงอยที่บ้านตั้งใจทําบุญแต่ยังไม่ถึงมือสงดังนั้นเจ้าของนําไปใช้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปยังไม่ถือนะใช่า ถ้ใส่ต้งมากาเก่าพรเก่ามันเกิดจะไม่มีแล้วนี่ไม่เป็นไรนะท่านก็กลัวจะบาปใช่แหมไม่ใช่ท่านดีเขาเป็นความดีมากเขากลัวบาปจะได้ทราบว่าอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นบาปใจได้เป็นสุขไม่งั้นจิตจะเศร้าหมองเพราะสิ่งที่ไม่มีความผิดใช่ไหม การจริงเขาคิดอย่างนั้นก็เป็นความดีของเขาต้องถือว่าเป็นคนมีจิตละเอียดแล้วมุสุนธรรมเข้าครอบความคิดมากนะจึงคิดต้องสรรเสริญความดีของเขาแต่ว่าอย่าปล่อยใจเศ้ามองก็ไม่ขี่ละก็ถือว่าท่านึกก่มาอ๋อหลวงพ่ออนุญาตแล้วก็บหมดเรื่องหมดเรื่องไปนะอถาหลวงพ่อประน็อคถนัดที่ มามานามีิรูปไม่มีาสไดบวจะมีผมเพราอายุครบอาอายุครบแล้วจะบวดให้แต่รัตตารนก่อนเรียบร้อไปแล้วหลายปีอยากจะเลี้ยงทานพว่าทานบวเป็นพระแล้วีิตอรงอย่างนี้ท่านจะมีโอาได้รับไปโมศนาเหมือนับตอนเป็นหรือเปล่าเพราะรับจะดีกว่า่านี่รับดีกว่าเปนหือครับคือเป็นอย่างนี้นะถ้าได้รับนะ จะต้องพูดกันก่อนอนนีิสงแห่งลูกบวชเนี่ยยังไงไงพ่อแม่ก็ต้องได้รับ ไ, ไ ด, บได่ไม่โมทนายก็ได้รับตอนนี้นสมมติว่าถ้าพ่อแม่ดูหน้าใบภูมิไม่มีสิทธิ์โมทนาใช่ไหมอีตอนนี้ถ้าเราพ้นมาอะไรเขาได้รับเหมือนนั้นแล้วสมมติแบบแน่นะได้แน่ดีมากอ่าพอดีผู้สู ง, งวดวงหลวงที่เห็นพระอาครพิเศษอยู่นิดนึง คอธรรมดาเวลาบรชเนี่ยนะอขาบวชเองเสร็จเขาบวชต่อไปเลยแต่รรทำนะไมต่อคาวนี้ยยนเปนบในวันหนึ่งบวชวันหนึ่งอี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยียี่ยะ่ย่ย่ยี่ยี่ยี่าี่ยี่นะ่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยีอยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยั่ยี่ยี่ยี่ยี่ยียี่ย่ยี่ยี่ย่ยยย ถ้าได้ใสงในแข่งก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันนะเพรับพอพระบัญชาที่กว่าหลวงพ่อครับขออนุญาตบทเรีนก่อนวันนะครับลุวงขึ้นจะบทพระก็ถามได้ว่าอุปชาอนญาติรือไม่เอาอุปชาตรงลงนะครับพอพระบัญชากลับไปก็มีเสียงข้างหลังบอกเอออย่างนี้ดีถามน้ำว่าดียังไงว่า ก, การบทเนีนขาดหนึ่งวันนะได้สงเรียนได้ครบได้สงเรียนชั้นหนึ่งลุ้งขึ้นบทพระได้สงบทพระอีกได้กําไร ไอ้สองต่อแต่ฉันก็ไม่รู้ตำราไม่มีมานะเสียงมาดิเสียงเพาะๆนะพ อ, อ, อะพระประชาเดินผ่านไปท่านก็บอกเลยเดินเสียงเลยอเออนี่ดีมากดีมากญาติโยมได้กําไรแล้วคนป่วยก็ได้กําไรไอ้คนป่วยก็ได้รับในสงสองต่อทั้งเน ร, รและพระแล้วก็ญาติโยมก็ได้รับในสงทั้งเนและพระก็ได้สองต่อเหมือนกัน นี่ก็เพิ่งรู้นะจะหาซื้ออ่านนะไม่มียไม่เจอตั้งแ่อ่านไม่เคยพบเลยแ่ถามวมารู้จากไหนบอกรู้จากเสียงลูกพ่อจะถารลูกไปตามเจตจานที่ถามก็จะทำบุญแก้มนทุกเือนดูการประวายิรัพทานร้วยตัวเองภายในธาตุนี้ขาดเืินไหนเงินไม่พอ ไม่อเยันียไม่อาดใจบ้าก็แปลว่าตัดจาที่ตงไว้จะเสียแปลว่จะมีบาปีกรรมไม่เอากรรมหรอกฉันกรรมไว้ยังแบมไม่หมดเลยใช่กรรมหนักเต็มทีแล้วเอานีิงิีถ้ชุดใหญ่ไม่พอก็ชุดเล็กถ้าชุดเล็กไม่พอก็ใส่ซองถวายเพืาอทานบาทสองใบก็ได้เลย เพื่อไม่เสียกำลังใจใช่ไหมอันนี้สง์ก็สมบูรณ์แบบเป็นกันหลวงพ่อ็รับเวลาลูกน้ำเพงมาพุทธลูกร่งกายก็จะก่าผกว่าระองนั้นจะมาอยู่ที่ศีรษะท้างั้งไหลในใจบากเป็นอย่างนี้ประจําลูกอย า, ยากจะถามหลวงพ่อว่าทําอย่างไรจึงจะมีทาข้ามหน้าตอไปเจ้าคเพราะท่านไม่ถูกิเลยแลลูกฉนเดินจิ ลุกเราเราลุกก็แค่ก้าวหน่าก็เดินไปข้างหน้าเอออย่างนั้นดีแล้วย้เก้าไปไหนล่ะก็ถือว่ามีสมาธิในอุปจารสมาธิในพุทธานุิตรกรรมฐานเอาไงต่อไปอีกล่ะก็ใช่ดีเยอะแยะแล้วเต็มที่แล้วนะหลวงพ่อเจ้าขาท่นอยากจะน้างหมดคนเดียว แต่คนโบราณบอกว่าการสร้างโบสถคนเดียวไม่คนรุ่นหนุยนะจะทําให้อายุสั้นอันนี้เป็นความจริงหรือหลากันจ้าเน่ยโกจะไม่จริงไม่จริงหรอกอายุจะตายหรือไม่ตายอยู่กับาลเวลาของตัวเองไม่เกี่ยวเลยกาลังกัตวาทั้งกาละแล้วใช่ไหมนี่ว่ามันไม่เกี่ยวกับารสร้างโบทถ์เขาสร้างคนเดียวมันทั้งหลายหลังยังไม่ตาย อย่าไปเชื่อใครคนไหนเอางี้แล้วกันถ้าไม่มีที่สร้างไปวัดท่าสูงไม่ตายถ้ายังสร้างอยู่ไม่ตายแง่ง่เราสร้างแล้วยังไปบูชาพระที่นั่นหนูก็ยังไม่ตายใช่ยังไม่ตายใช่พระโกหกได้เวลา แค่ น, นันนะสตังมันไม่พอ <c oughs> หแหวงง่ายขาดนะ <st> ความจริงแกไม่อยากจะแหวงไม่อยากจะขาดก็อยากจะเต็มที่เต็มไม่ได้เพราะเงินมันหมดใช่ใช่เออถ้าพูดนักก่อสร้างที่พูดตามแบบนี้นะ <c oughs> พระลุงพ่อปานพ่อปานท่านสร้างไม่เสร็จท่านสร้างแล้วท่านตองทิ้งไว้จุดใดจุดหนึ่ง ในจุดนั้นไม่มีความทุกค์นันนะอย่างโบสถเนี่ยถ้าหันอีกด้านหนึ่งเขงาแนบจั่วเข้าทางป่าใช่ไหมจั่วด้านนั้นถ้าอยากปั้นหน้าบันไม่เสร็จแต่จะไม่ปิดทองไม่ปิดกระจกลอยถามว่าก็มีคนก็พูดกันบอเขาบอกหลวงพ่อปานไม่กล้าสร้างเสร็จก็จะตายเร็วไปถามท่านข้าจริงจริงท่านบอกก็เสียหน้ตังเปล่าไม่มีคนมองประดับอะไรใช่ไหมหันหันหันเข้าป่าได้ใครจะมองจากป่ามาล่ะ แล้วก็ท่านสร้างทุกหลังก็ทิ้งไว้ทิ้งจริงๆนะทิ้งสิ่งที่ไม่สําคัญนะนแล้วว่าก็สิ่งที่มีความสำคัญท่านเต็มหมดนี่ทุกหลังท่าน ท, ทิ้งไว้ท่านก็ยังตายนี่<ะ>ใช่ไหมเอออายุเท่าไรนะก็อปานนะท่าพูดไปแล้วที่เป็นหวย <c oughs> ขจริงอหวยมันไม่ออกตามน้ำหนักทิ้งจะจริงกันใหญ่ดิ<พ>กป็ปานอายุได้หกสิบสี่ปีจะไปเล่นหวยเนะ่ ไม่ใช่นี่จริงๆนะไม่ผวไม่ออกตามนี้นะเะว่าจะลืมว่าใช่าขนาดนั้นแต่อายุจริงๆท่านบอกว่าอายุจริงๆแค่สามสิบแปดเอาจดโจดเจ้าสามสิแปดเป็อย่างนี้เมื่ออายุสามสิบแปดปีท่านไปวัดประตูสานมาใช่ไหม ไปถึงว่าประตูศาลถูกบังฟันคำว่าบังฟันนี่เขาใช้อาคมเป็นเป็นคาถาเขาใช้เม็ดฟันต้นกลวยหรือฟันพักฟันแปงเนี่ยแล้วเขาบ้วงให้มาถูกที่เราตรงไหนตรงนั้นภายในจะเป็นแผลแต่ข้างนอกหนังยังดีอยู่ท่านบอกว่าในช่วงนั้นมันหมดอายุไขพอดี ท่านปฏิวัติประตูสาที่จังหวัดสุพัรณจะเข้าไปส่งน้ําก็ถอดตั้งสาตั้งสาจะมีท่าในนั้นน่ะถ้าบอกเสียท่าเขาแล้วก็ลงเรือเมื่าป่วยแล้วก็ลงเรือ ม, มาถึงวัดบางไทหนอกบาใช่ไในทนไม่ไหวเขาก็เลยนําขึ้นไปที่นั่นคือทั้งที่นั่นต่อมาเขาต้องไปตามอาจารย์จากันรักษาเุื่อเดียวพระท่านนะนะอาจารย์จ่า ก, ก็มีความสําคัญมากทคงบวกยาของท่านเป็นยาสูงไม่ใช่ยาตา่ำ ใครยางสาระท่านอาจจะต้องจ่ายตังค์มากหรือ น, น้อยก็ไม่ทราบแต่ยาต่ตตําๆท่านไม่มีถามไปทา ม, มาบอกยาผมยิ่ยอดไมเอ <c oughs> <c oughs> ตอนหลังตอนพระปานจะตา ย, ยานี่นะท่าน ม, ม า, ารักษาบอกยาผมมันยาสูงครับ <c oughs> นี่พวกหมอนี่ก็มาจากกรุงเทพผใช้ยาต่ำยา ก, กลางผมใช้ไม่ได้ผมใช้ต้งสูงเขาถามไปทํา ม, มาบอกอยิ่ยอดไม่แต่เด็กยอดมอยนะไม่มาเด็อะไนี่ย มีอารมถ้าคนรุ่นเก่าไม่มีอารมยุยกทรงมัเกิดไม่ได้ฮ็าย่าฮ่ เรียพวกพายส่งกันไปเดือส่งกันไอ้นี่ที่ที่สุพรนณก็มีรายแต่อาจจะมีหลายรายก็ได้เขากินเหล้า บ, บ้านนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็ลาลายก็ยืนที่สุพารณคุยกันคนนั้นจะไปบอกเออเดี๋ยวกูไปส่งวะ่ะเลยแต่คนนั้นแหละก็พายไปส่งที่บ้านแล้วไปยืนคุยที่สุพารน้ําอ้เรื่องน้นบอกกูจะไปเออกูจะส่งวะต้องไปคืนต้องไปตั้งคืนเลยมึงส่งกูส่ง อันนี้อันนี้เรื่องจริงๆนะไม่ใช่ผันของจริงใช่ก็ดีเห็นว่าดีอันนี้สงเเหมว่าอะไรไหมขโมยไม่กล้าลักไฟขโมยไม่กล้าลักของก็จะไปไปมาบ้านอยู่ไม่ไกลกันนี้ไอ้คนตื่นแบบนั้นขโมยข้าบ้านไม่ได้หน่าจะเมาบ่อย เลยสองข้อเลยแถมเป็สองข้อดิมีเมีย ม, มากขัดใจคงแรกค เ, เนียกา ม, มีชาจ้ารา ว, วรีธมนีสีขาวไปทางสมาธิยามีนี่มีปลาใหมมีเก่าแล้วไงใช่เสียงมันไม่ชัดสิงไม่ด้วยอากาศก็ไม่รว่าสบายใจได้นะทําได้ไหม คุยเละไปแล้วใช่นั่นแหละโอ้โหคุณนายอย่าไปเล่นมันนะจะกินเอา คุณเอเจมือวันนี้เจีมือเป็นลมรับเันไม่ไหวถ้ารถก็จะพาไปไหนคุณอ้าไหมหรือว่าลูกได้มิวปาไปว่าค่าคุณไฟช้าแล้วก็มิวปาได้ไปฝากภาสามสสองเนี่ยสามสิบสองก็มีความสิ่งดีเป็นอย่างนี่แค่ว่าอีตอนที่ลูกโดนฝับมา มีคล้ๆคนเดินตามมาเหลียวไปดูก็ไม่มีเดินต่อไปก็ไปเดินตามมาเ่าบอกไปหลวงพ่อเขาไม่ใช่เขาอยู่หุ่นตีเขาบอกไปหลวงพี่ก็ไม่ใช่เขาไม่ขันเเทนไม่อยากจะถามหลวงพ่อว่าพระสามสิบสองพระที่เดินมาส่งที่วัดนั้นเถวดาเจ้าตุมาราศมีนําพันกว่า ที่ทราบไปตั้งพันกว่านะก็มีคืนหนึ่งอนอนอยู่ในห้องดินเสียงทุนักวุ่นเหา่าเสียงคนพูดชั้นชัล่างใช่ไหมนักขกาออก้างนอกวนเหาออกมาข้างนอกไอ้เสียงคนพูดก็หายไปเสียงนักก็หายไปกลับเข้าไปนอนใหม่เสียนักเหาอีกเสียงคนพูดมากท่านี้พูดเสียงคนมากเหลือเกินก็เลยกลับเข้าไปนอนใหม่พอกลับเข้าไปนอนนั้นก็เริ่มสงสยัย ว่าว่าเสียงที่มีอยู่แล้วออกไปก็เสียงเงียบเสียงคนมากผมมากกว่นี้เสียงเพลียนะและ้วก็ไ อ, อ้สุนัข ก, ก็เห่าแรงออกไปนอกเสียงนักก็ไม่มีเลยเมื่องสงสัยก็ถามท่านธรรมหาราชถามท่าเวททวันที่อยู่ ใ, ใกล้ถามว่าเสียงอะไร <S <S บอกไม่เสียงอะไร ล, ลูกน้องผมเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่สั้งพันกว่าเขาคุยกันเออ นายเขาเดินมาส่งคนเดียวนบุญนะหรือก็ยกคามาทั้งฟันไม่รู้จะูปทางไหนใช่เพราะที่นั่นน่ะทองคำมากตั้งหลายปีมาแล้วที่จะเร่งให้ทำถนนร้อยไร่นะทำเขตล้อมเพราะว่าทองคำที่เป็นสมัยพระเจ้าจักรพรรดิเขาจะนำมาไว้ที่นี่เต็มบริเวณวัด เนยทองคาแต่ละแห่งก็มีเทวดาวเฝ้าใช่ไหมอารักขาในเทวดาวที่อารักขาก็ต้องมารวมกันทองคำอย่าไห น, นต้องไปที่นั่น <c oughs> นั่นไม่เป็นไรคือว่ามีหลายองค์ท่านบอกทานขี้เกียเฝ้าแล้วใครต้องการเขาได้ท่ายกให้ใครที <c oughs> <c oughs> ่รู้ต่อไป <c oughs> <c oughs> เราขึ้นมาไม่ได้คุมบัตรพระเจ้าจักรพรรดิคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นที่จะขึ้นมาได้เยอะมากจริงๆเอางี้ก็แล้วกันนะมีที่ที่รับแขกใหม่นะมาไปดูสถานที่ใช่ไหมเห็นทองคำมากเพชรกมาก ก็มีคุณเจสีก็าสิไปแล้วบอกว่าหลวงพ่อครับผมอยากได้เทวดาที่เพ้าอยู่จะเจ็ดแปดองค์ให้มาบอกดิ้ดิดิผมอยากจะไปมานานแล้วเอาเลยผมยกให้หมดเลยก็ถ้าเป็นทรัพย์เป็นดินเขาเฝ้าถ้าเป็นทรัพย์มีเจยวของเขาก็เฝ้าเหมือนกันนะถ้าเป็นทรัพย์มีเจยวของเย่างวิจิตรมโนโรเอตมเนินสะดวกก็เออ ก็รบริจาครือว่าบ้านนั้นน่ะ เ, เดี๋ยวก็หมดเวลาลก็เป็นหานี่คือว่าเป็นอย่างงี้นะมีบ้านหลังหนึ่งแล้วคนที่มาเช่าสวนน่ะอยู่ไม่ได้คนแรกไม่ยอมรับรับถือจะทำให้เหมือนบ้านมันหลังจะว่าเข้าหัวแล้วก็มาให้เมียบมาขับให้เมียไปเอาขี้หมาให้งม่หัวกินอร่อยไม่เชื่อลองสิ ลองดูได้อร่อยจริงๆเขาเขาเขาตัวฟังยินแล้วต่อมารายนั้นอยู่ไม่ได้รายที่สองไม่อยู่รายที่สองไม่อยู่น่าแสดงเริ่มได้จริงๆก็เด็กอยู่บนบ้านไม่ ร, รูร้กลงอยู่ไหมเด็กแสดงได้ยังคลานได้ยังเดินไม่ได้แม่อยู่ข้างล่างโดดลงข้างล่างเหมือนกับโดดลงมาแต่คนจริงไมปโดดเมื่อคนอุ้มลงมาแต่เห็นว่าเด็กนะแล้วคลานเล่นแล้วก็หัวเราะแม่ก็แปลกใจก็อพอดีฉันไปที่นั่นพอดี เขาก็มาหาโมเตกโมเตกเขามีชื่อเร่องการดูเนี่ยนะเาก็ใช่ทางทางนอกทางในทางหลับตานะ uh huh. ี่นะก็โมเตกก็เลยบอกว่าท่านช่วยดูหน่อยที่ก็เลยบอกเอานี้ก็เลยกันรอไว้ตอนเช่นเยนอนให้เจ้าของกลับไปก่อนถ้าดูเวลานี้ก็มันพูดก็ได้น้อยเวลาจะนอนก็พูดกันได้มากแลนวนี้คือเวลาประมาณสองยามเข้านอนพอเข้านอนเขาเริ่มจะบูชาพระประจุทุกแก้มมาเลย เทวดามันเจ้าของ ท, ท, ที่แกล้งเขาไม่ได้แกล้งทําไม่รู้นะมาแล้วก็บอกให้ทราบว่าผมเองนะครับก็เลยถามว่าคุณทําอย่างนั้นเพือ่อประยชนอะไรเขาบอกว่าผมต้องการให้รู้ว่าผมอยู่ที่นั่นไอ้คนก่อนอนั้นมันยอมรับมันถือผมมันเบ่งในแกล้งมันอยู่ไม่ได้แต่คนนี้ก็ยังไม่แสดงออกก็แสดงรู้ก่อนก็ถามว่ามีอะไรที่ไหนบ้างแหละเขาก็เลยให้ดูให้เห็นหมดเลย บ้านไม่ได้ใกล้กันนะไกลสักกิโลเมตรให้เห็นหมดทุกอย่างว่ามีอะไรอยู่บ้างไหมทองเยอะจริงๆมีทั้งทองทองั้งเพชรทั้งสร้อยและทั้งทองแท่งเ่ะเลยถามว่าคุณต้องการอะไรจากเขาเจ๊กเลยบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันถ้นเาเขาต้องการรวยมากนะให้สร้างศาลดีๆให้สร้างศาลแล้วก็มีโหัวหมูเเรียกว่ามีโหัวหมูมีมีมูหันมูหันน่ะ ถ้าเาแบบอย่างเบาก็ใช้หัวหมูกับไก่ไอ้เหล้าไห้จะลืมแน่นะนกินเหล้าเลยแอออล้วพอรุ่นเช้าก็มาทังผัวทั้งเมียคือญาติลูกเก่า <c oughs> อ่าแล้วก็รุ่นนี้มันจนจีนกินเป็นขวดเป็นก่อกรน้กินไรเพราะ <c oughs> ตุ้นเช้าก็มาทา้งผัวทั้งเมียก็ลเลยเล่าต้องฟังผัวเป็นจีนนะเอเมียไป็นจีนผัวไปเจ็บ <c oughs> ออไเจ๊กถึงมันนึงเจ๊กหน้อยชาเสียออย่าอย่าไปเอาโทษนอะอย่าอย่าไปเรื่องนใจอย่าเรื่อนเขอย่าไปโต้โต้ก็กินเดี๋ยวก่อนเล่าต่อไปหัวใจการรับฟังรู้สึกกําลังใจจะดีมากกลับไปกูไปแจ้งสารกูถามเขาแล้วว่าสร้างสารตรงไหน ก่วายตนต้องต้นฝรังง่งไปโค้งโกรนะถามว่ามีจริงไหมก็บอกมีวาสร้างศาตนนลตรงไหนแค่เขาสร้างศาลวาใช้หหมูใช้ไก่ใช้เหล้าต่อมาตอนนั้นที่อยู่กรุงเทพนี่นะก็กลับไปกรุงเทพแล้วไม่ช้าสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวว่ากว่าก็เจ๊กคนนั้นเอ้ยเจ๊กคนนั้นก็นมาบอกเรียบร้อยเลยครับฐานที่ใหม่แล้วเป็นไงบ้างถูกหรืตไม่รงวันที่สองนี่จะัยนั่นนะ ถ้ต่อมานี้ไม่แก่ถูนรุธรีเขา้าก็เลยจะมีสตังเข้าต่อมาทั้งสองทั้งหลายเจนว่าสารไม่ดีพออยากจะสร้างให้ใหม่มันสวยกว่านั้นก็เลยลื้อสารตอนนี้เทวดาเดือดร้อนเองก็มาอ่านหนังสืออยู่ก็ามาโผลที่ประตูถามว่าทําไมล่ะก็ทัานก็นเลยบอกว่าไม่ทําให้แปะ๊ะสิมันลื้อบ้านมดทุทีแปะแปไอแล้วก็ต้อาาตงไป าถามฐานเจ้าแก่ด้วยทำไมเขาบอกว่าสารไม่ดีครับเพราะว่าคุณได้สตางค์มากคุณทําเปสวยกว่นี้เ้าบอกทําไมไม่จุดทูปบอกเขาก่อนละ่ะจุดทูปบอกเขาซะที่อะไรจุดทูปบอกพอทำเสร็จแกบอกเขานี่หัวหมูก็ไก่ไม่องไงเอาจะาหมูหันทำไมก็ไก่เขาเลยทําตามนั้นต่อมาอสักเดือนเศษเขาก็มารยายงานเข้าถุนอวันที่สองใช่ไหมความจริงเทวดา เทวดาจะให้ต้องเราเป็นคนมีบุญแล้วมีลาบนะใช่ถ้าได้ได้ได้ไดได้ได้วันที่สิบห้านะเอาไปที่วัดแล้ววันที่สิบหกก็จะถูกลูเรื่องแกะให้จิ้มแล้วเช่ไหมละหม่ำแล้วไปเกี่ยวกันจิ้หอาไรก่อนพี่ผมเป็นยงไงกับสามอ่นก็พอดีเวลาเล Thank uh -huh.